เรื่องการเกิดในแผ่นดินไทยโชคดีที่สุดความเป็นคนไทยและในเกิดในพื้นแผ่นดินไทยโชคดีที่สุดเพราะว่าการพลัดเข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาจะต้องอยู่ในมนุษยธรรมหรือเทวธรรมท่านว่าอย่างนั้นคำว่าโชคดีที่สุดหมายความว่าตราบใดที่ประเทศไทย ยงมีพระอริยะบุคคลตราบนั้นจะไม่ชิดหายด้วยภัยแห่งสงครามตามที่ปรากฏมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไทยชนะครั้งที่สองไทยก็ชนะสู้กับคอมมิวนิสต์เพื่อนบ้านเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดแต่ไทยชนะท่านพระอาจารย์ยังเล่าอีกว่าทีนี้ทำไมคนทั้งหลาย ทั้งคารวาดและบรรพชิตจึงไม่ค่อยจะได้บรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคามีก็เพราะความปรารถนาไม่พอท่านว่าเราอยู่อย่างนี้มีพอได้กินได้ใช้คนบ้านนอกบ้านนาเขาก็มีข้าวในยุง้งไม่มีปัญหาอะไรกับข้าวก็พากันไปหาปลาตามหนองคลองบึงผู้อยู่ในบ้านในเมืองใหญ่ เขาก็มีการมีงานมีเงินมีทองคนเหล่านี้ละ่ะติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะคือสัมผัส ท, ทางกายและธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจคิดนึกเท่าที่ตนได้รับในแต่ละวันแต่ละวันถึงแม้จะไม่ร่ำไม่รวยแต่เรียกว่าอยู่ได้ไปได้การนับถือพระพุทธศาสนานั้น ก็มีทั้งนับถือภายนอกบ้างภายในบ้างการบำรุงศาสนาภายนอกเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นฝ่ายครวดก็มีทนนาถาบินธิกะและนางวิสาขาเป็นต้นท่านได้สละทรัพย์สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าธนุบำรุงพระสงฆ์สาวกทั้งปวง การบำรุงศาสนาภายในก็คือการทําทานให้เป็นทานเลิศทําศีลให้เป็นศีลเลิศทําสมาธิให้เป็นสมาธิยิ่งทําปัญญาให้เป็นปัญญายิ่งเมื่อทําได้อย่างนี้แล้วท่านพระอาจารย์บอกว่าอะไรจะเกิดก็คุณในวิเศษในพระพุทธศาสนานสิไม่ใช่ของยากและก็ไม่ใช่ของง่ายเราทําได้ อ, นนอานิสองของทานศีลภาวนาและสติปัญญาของเรานะ่ะจะเป็นพลังเสริมสร้างจิตของเราให้เป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาได้